ศีลและสมถะต้องทําให้มากเรื่องศีลเรื่องทุดวงขวัตพวกเราต้องพยายามปฏิบัติพวกญาติโยมก็เหมือนกันถึงปฏิบัติอยู่บ้านก็ตามพยายามให้มีศีลห้ากายวาจาของเราพยายามให้เรียบร้อยพยายามดีๆเถอะค่อยทําค่อยไปการทําสมถะเนี่ย เห็นนึกว่าไปทำครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วมันไม่สงบก็เลยหยุดยังไม่ถูกต้องทำนานอยู่นะทำไมจึงนานคิดดูสิเราปล่อยมันเนี่ยกี่ปีเราไม่ได้ทำมันว่าไปทางโน้นก็วิ่งตามมันมันว่าไปทางนี้ก็วิ่งตามมันทีนี้จะมาหยุดให้มันอยู่เท่านี้เดือนสองเดือนจะให้มันนิ่งมันก็ยังไม่พอคิดดูเถอะ เรื่องการทำจิตใจให้เราเข้าใจว่าสงบในเรื่องสงบในอารมณ์ที่แรกพอเกิดอารมณ์ใจไม่สงบใจวุ่นวายทำไมจึงวุ่นวายเพราะมีตัณหาไม่อยากให้คิดไม่อยากให้มีอารมณ์ความไม่อยากนี่แหละตัวอยากคือวิภาวะตัณหายิ่งไม่อยากเท่าไรมันยิ่งชวนกันมา เราไม่อยากมันทําไมจึงมาไม่อยากให้มันเป็นทําไมมันเป็นนั่นแหละเราอยากให้มันเป็นเพราะเราไม่รู้จักใจเจ้าของแม่เล่นอยู่กับพวกนี้กว่าจะรู้ตัวว่าผิดก็นานโค อ, อยู่คิดคิดค ด, ดูแล้วโอ้เราไปเรียกมันมามันจึงมาไม่อยากให้มันเป็นอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านนี่แหละความอยากแท่งๆละ่ะ